วันนี้เราได้ปฏิบัติก็หลายคนก็รู้สึกว่าจิตนิ่งขึ้นะเวทนาก็เบาบางการที่เราได้ศึกษาเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่อง <c oughs> อวิเศษมากนะถ้าหากว่าเราได้ตั้งใจเข้าใจพยายามจะใช้เวลาให้เข้าใจเรื่องนี้ให้ไวขึ้น <c oughs> เพราะว่ามีเรื่องละเอียดที่เราจะต้องเรียนรุยหลายอย่าง ตอนเย็นนี้ให้การบ้านไปในเรื่องของว่าเรากาลังอ่านอยู่ที่มิกกี้ยังไม่จบนะว่ายังไม่เสร็จไม่หมดว่าตัวรู้เกิดจากอะไรซึ่งมาเองได้เตรียมอันนี้ไว้ว่าจะเฉลย อ, อยู่ขณะที่เราตีเนี่ยมันมีเสียง แต่พอดีปังเด็ดถ้าจะถามว่าเสียงเกิดจากส่วนไหนของเสียงเกิดจากตัวนี้หรือเกิดจากตัวนี้ส <c oughs> เสียงเกิดจากไม้ไหรือเสียงเกิดจากตัวนี้อ่าอันนี้คือคาตอบเฉลยว่าเสียงไม่ได้เกิดจากตัวนี้และไม่ได้เกิดจากตัวนี้ แต่ขณะนี้มีเสียงไหมตัวนี้ก็ไม่มีใช่ไหมแต่ที่มันมีขึ้นมานี่เพราะอาศัยอะไรไอ่าเพราะอาศัยการกระทบพอกระทบปับ๊บถ้ากระทบไม่แรงก็ไม่มีใช่ไหมกระทบไม่ถูกก็ไม่มีอีกกระทบถู ก, กเจจะมีนั่นหมายถึงว่าตัวรู้เนี่ยมันอยู่ที่การกระทบ ไม่ได้อยู่ที่กายไม่ดอยู่ที่ใจ <c oughs> เป็นไงวะอยู่ที่การกระทบนะอธิบายเฉยหยาดเยิมเลยนะอธิบายยัางดีเลยนะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนีน้อธิบายเหตุผลอย่างดีก็หลายฉบับหน้าหน้าฟังนะแต่แต่ทีนี้คือคาตอบคือคำตอบ <c oughs> เอา น, นั้นตัวรู้ไม่ได้มีอยู่ก่อนและไม่ได้อยู่ที่ตัวเรามไมด้อยู่ที่ไหนพอมีการกระทบปับ๊บเหตุปัจจัยทั้งหมดเข้ามาประชุมกันว่าเพราะมีการกระทําและมีการกระทบแล้วก็เกิดอาการเกิดขึ้นตรงที่กระทบที่เราภัจ ส, สถ้าหากว่าไม่มีภาษาตัวรู้ ก็ยังไม่ไประชุมรวมกันเรีก ว, ว่ากัดเตเกิดด้วยเหตุและปัจจัยเหตุคือมีการกระทบปัจจัยคือสิ่งที่อตอบสนองนะเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิดนะอย่างสมมติคนเนี่ยบอกว่าคนดีคนชั่วถามว่าคนนี้ดีไหมตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ดีใช่ไหถามว่าคนนี้ชั่วไหมก็ยังไม่ได้ชั่วมากัน เพราะยังไม่มีเหตุปัจจัยที่ให้ดีให้ชั่วนี่ตัวรู้ก็เช่นเดียวกันถามว่าตัวรู้อยู่ที่กายย่ที่ใจอยู่ที่รูปอยู่ที่นามก็ยังไม่ใช่ตัวรู้เกิดก็ไม่มีการกระทบแต่ตัวเหตุตัวปัจจัยตัวปัจจัยมันคือตัวรูปตัวนามตัวสิ่งที่มากระทบนั่นแหละคือเหตุปัจจัยของมันดังนั้นเองในการปฏิบัติเราจึงต้องมีการเตรียม เตรียมตัวตัวรู้จักเอาไว้ก็ตัวรู้มีอยู่แล้วว่าเมื่อมีการกระทบแล้วเราจะจัดการากับตัวรู้ที่เกิดจากการทบนี้ได้อย่างไรนี่เราจึงเตรียมตัวนี้ น, นั้นความเพียรเพื่อที่ให้เกิดตัวรู้ตัวเนี้ยเราก็จึงทํากันมากพอสมควรโดยที่ไม่ได้เน้นว่าความเพียรเฉพาะที่เรามานั่ง ทำแต่ว่าทุกเวลานาทีที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็พยายามที่จะเลือกรู้กลับเข้ามาในรูปในนามไว้เสมอนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราแต่ว่าก็เห็นความสัมพันธ์นะเพราะอ่านแล้วก็มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องนามมากขึ้นนะก็จะขอไปอ่านให้รายละเอียดให้หมดก่อน ออกมาเฉลยอีกครั้งหนึ่งแต่ว่า น, นี้คือคําตอบต่อไปแล้วคืออันนี้นะตัวรู้เกิดการกระทบนะก็ <c oughs> ได้แต่ไม่ได้หลอกกันนะอันนี้คือความจริงเนี่ยทีเรามาดูอันนี้บ้างเพื่อที่สรุปที่เราเรียนรู้วันนี้ว่ามีอยู่อสามเรื่องเรื่องอันนี้จังทุกข์งอนัตตาเนี่ยว่าเราจะทําตัวเนี้ยตัวที่ว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยให้เป็นธรรมสัจจะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็เลยว่า มันมีตัวอ่านี้อยู่ตัวอวิชานะตัววิชาคือตัวนี้เป็นตัวหัวในในรูปปฏิจจสมบาทิสุนโมกเนี่ยตัวอวิชาตัวนี้ท่านจะสมมติเป็นอ่ายักษ์ใช่ไหมตัวยักษ์ใหญ่เป็นภาพวงกลมที่สุนโมกอ่ะตัววิชาเป็นตัวยักษ์เลยครอบงำทั้งหมดอยู่อ่าก็เอามาสมมุติให้เป็นอวิชา ตัวอวิชชาเมื่อมีตัวใตรักเกิดอนิจังทุกขังหน้าตาเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเพราะอาวิชชามันแต่สําหรับเวทนาทั้งสามเป็นธรรมชาตินะเนี่ยเวทนาทั้งสามตัวเนี่ยเพราะมีการกระทบอั น, นิจังทุกขังหน้าตาทํางานปับ๊บมันก็เกิดมีสาอาการเนี่ยอันนิจังสุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขโมกษเวทนาเนี่ยมันเป็น ทั้งเวทนาทั้งสามเนี่ยที่มันเกิดกับรูปเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นวิชาหรืออวิชานะเพราะว่าเมื่อมีสามตัวนี้ทํางานนะตัวนิจังทุกขงังตัวอนิจังกับนัตตาทํางานนะถ้ามันไม่พอดีก็จะเกิดตัวตัวนี้ขึ้นมาตัวทุกขังนี้ขึ้นมาแต่ตัวนี้กับตัวนี้เป็นธรรมชาติอันนี้ที่เกิดกำดับนะเกิดกำลับ อันนั่นจะเกิดกะดับมันไม่สมดุลกันก็ต้องมีตัวนี้ด้วยนะตัวทุกขังขึ้นมาคือตัวแปรปลวนนะเมื่อเวทนาทั้งสามที่เราสวดไปเมื่อกี้สุขังเวทนางเวทิยะมาโนโเมื่อสวยความสุขคำว่าสวยนี่แปลว่าอะไรสวยแปลว่าอะไรแปลว่ากินใช่ไหมแปลว่าบริโภค ในขณะนี้เราบริโภคอะไรอยู่บริโภคสบายบริโภคไม่สบายแล้วก็เสวยนะเรานั่งอยู่เราเสวยความไม่สบายแล้วก็สุขเวทนาเวทนาที่แปลว่าเสวยนะแปลว่ากินแปลว่ารับแปลว่าเสพเวทนาเสพสุขเสพทุกเสพไม่ทุกเสพไม่ทุกนี่พอพอเรามีตัวอวิชชาตัวนี้นะคือไม่รู้เท่าทัน ว่สุขที่เราไม่รู้มันก็มาเกิดเป็นตัวนี้โสมนัสสะเป็นเวทนาเวทนาทางกายแล้วว่าสุขเวทนาพอเป็นเวทนาทางจิตก็เป็นโสมนัสสะเวทนาทีถ้าหากว่าตัวเป็นทุกขเวทนาคือความไม่สบายจากการที่เรานั่งเปน็นนานเรารู้สึกหนักน่วงรู้สึกอึดอัดความไม่สบายก็มา แต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวรู้ตัววิชาไว้ก่อนนะตัวไม่สบายก็เปลี่ยนมาเป็นตัวโทมนานัสส์โทมานัสสเวทนาโทมนานัสส์แปลว่ารู้สึกไม่สบายนะรู้สึกทางใจนะรู้สึกไม่สบายใจแต่ทุกขเวทนาเนี่อรู้สึกไม่สบายกายแต่โทมานัสส์เนี่อรู้สึกไม่สบายใจสุเวทนารู้สึกสบายกายโสมนัสเนี่ยไปรู้สึกสบายใ จ, ยยใจพึงพอใจวันนั้นเด็ satisfy นะพอมาอันสุขเวทนาก็เป็น unsatisfy ทีนี้ทุกขเวททุกขมาสุขเวทนาบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจมาเมืม่ออยากจะบอกว่าเป็นเวทนากลางๆนะแต่เราไม่ใส่ใจทั้งสุขทั้งทุกมันจึงก่อให้เกิดอุเปเฆาเวทนาที่ว่าแปลว่าเฉยเมย อ, อ่ะใช่แปลว่าเฉยเมยอุอเปเฆาเวทนาคือไม่ใส่ใจเลยว่าฉันสุขทุกข์กข็ ค, คิดไปเรื่องอื่น พอมันเข้าไปอยู่ในความคิดปั๊บเนี่ยตัวสบายไม่สบายขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ <c oughs> ไม่มีความหมายนะแต่ถ้าเป็นอทุกข์ขมสุขเวทนาคือเวทนาที่ยังไม่แน่ชัด <c oughs> ว่ามันเป็นสบายหรือไม่สบายโดยเฉพาะมันอยู่ในช่วงที่เรากําลังเปลี่ยนใช่ไหมถ้าว่าไม่สบายเพรอพอช่วงที่เรากำเปลี่ยนปั๊บเนี่ยตัวนั้นตัดสินไม่ได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันเป็นกลางๆ พอเราเปลี่ยนไปรู้ชัดเบาอนิสุขพอสักพักก็ทุกข์ดังนั้นตัวอทุกขก็มาสุขแปลว่าความรู้สึกทางกายที่เป็นกลางๆลาคือหมายถึงว่ามันยังไม่ถูกตัดสินน่ะว่าเป็นสบายหรือไม่สบายแต่พอมาอุเปก ข, ขาวเวทนาเนี่ยมันเป็นอาการของจิตแหละเป็นอาการของจิตเพราะฉะนั้นอาการของจิตที่มันไม่ได้รู้ว่าขนาดไีนสุขก็ไม่รู้ว่ามันอเออเริงรู้สึกพอใจก็ไม่ได้ตามรู้ ตัวรู้สึกไม่พอใจก็ไม่ได้ตามรู้ลักษณะนี้ก็เรียกอุเปกขาเวทนาเพราะฉะนั้นต่อมามันจึงมาเปลี่ยนเป็นโมหะได้ไงพร้อมันเป็นไปนเหตุกล้าให้เกิดโมหะเพราะตัวไม่ใส่ใจนี่แหละตัวที่เราเพิกเฉยละเลยก็ว่าได้แต่พอรู้สึกพึงพอใจเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ตามรู้อีกน ะ, ะตัวรู้สึก พึงพอใจตัวนี้มันก็นมาพัฒนาเราจะเห็นว่าตัวนี้อ่าแต่เห็นว่าตัวตัวเนี้ยตัวอภิชาเนี่ยนะมันใกล้เคียงกับว่าอวิชาไหมอ่ะพิชากับอวิชามันครั้งพูดคนที่เขาไม่คุ้นกับภาษาเนี่ยเขาเอพูดคาเดียวก็รึเปล่าอ่พิชากับอวิชาพูดผิดรึเปล่าไม่ใช่นะอภิชาตัวนี้แปลว่าติดใจเออนั่งรู้สึกสบายฉันอยากนั่งไปต่อไปอีกหน่อยตอนแรกนั่งเฉยเฉยใช่ไหม พอได้อิงเนี่ยรู้สึกสบายอภิชาติดใจว่าได้ทิ้งี่ินะคือมันผ่นอนคลายละแล้วออภิชาอยากจะนั่งให้สบายกว่า น, นั้นแล้วเรื่องขยับหาท่าหาทีอยู่เรื่อยเพราะติดใจว่านั่งได้สบายพอมันเกิดไม่สบายขึ้นนี่ก็ขยับหาหามุมท่าหาท่ามันละเปลี่ยนท่านั้นท่านี้ขึ้นมาเพราะอภิชาพอได้ท่าที่ถนัดด้วยไงเกิดตัวไหนถ้าเกิดตัวนั้นทิอยากจะแช่ท่านั้นนานๆเอออยากจะแช่แล้วขยับหาท่ามันละ เออนท่านนี้เข้าทา่าดีทนนั้นที่พอแช่ก็เพลินพอเพลินแล้วก็อยากจะให้มันออยู่กับสิ่งนั้นหาสิ่งนั้นมองหาท่านนั้นมองหาเก้าอี้ตัวนั้นมองหาที่ตรงนั้น อ, อมันก็เริ่มมีตัวประกอบขยายมากขึ้นได้ ว, ว่าราคะมาละยินดียินดีพอใจมันก็ลุกลามไปเรื่อยเรื่อยๆนะอพอลุกลามมาถึงไหนกาลมะฉันทะ ทีนี้พอมาเป็นตันหาคือแสวงหาละตัวพอใจอยากจะได้มากกว่านั้นอพออยากจะได้มากก็เกิดการแสวงหาเอกโซอี้ตัวนี้นั่งสบายจังวางตัวนวดได้ด้วยนอนไปแล้วก็นวดนะเก็อี้นวดจากก็ อ, อี้ธรรมดาเนี่ยกลายเป็นก็ อ, อี้ที่มีราคามากขึ้นแ่ะต้องหาเงินตันหาล่ะทีเอแล้วนั่งแล้วก็รู้สึกว่ามันนวดได้ด้วยนั่งแล้ว ที่เกาหีเมรการนะโยมเขามีอันนี้มูลของพ่อไปนอนบ้านไปนอนแล้วมานวดสบายไนดะ้ผ่อนคลายเลยนะนวดทั้งตัวทั้งบ่าทั้งไหล่ทั้งหลายเรงต่างโยถามโยมซื้อตัวเท่าไหร่สามพันเหรียญหลวงพ่ อ, อสามพันเหรียว่าเราเป็นแสนนะนะออไม่มีเงินแสนก็ไปนั่งกับอีทัวร์นี้แหละนะการมติหามาละโอ้หาเงินก็จะได้เป็นแสนในเป็นเดือนนะนี่ มันก็ทุกยากเพราะการมาตรฐานหาเพือเยี่งจะได้ตัวนี้ลำบากทีนี้แต่ซื้อมาแล้วรู้สึกใช้ไม่ดีเลยนะไม่นายซื้อมาราคาตั้งเป็นแสนใช้ไม่ดีอยากเอาไปเปลี่ยนไม่รู้สึกไม่พอใจเป็นวิภาวะใช่ไหมไม่ต้องการจะมาเปลี่ยนตัวนี้วิภาวะแปลว่าตัวไม่ตัวเนี้ยหมายคือว่าการมาตรหานเนี้ยแสวงหาได้มา ถ้ารู้สึกวันดีก็เกิดภาวะตันหารู้สึกว่าถ้ามันไม่ดีก็เกิดวิภวตันหาความรู้สึกวิภาวความรู้สึกที่ไม่ไม่พอใจก็เป็นภาวะตันหาเพราะภาวะตันหาหมายความว่าถ้าเรารู้สึกพอใจเราไปแช่ในความพอใจก็เป็นภาวะตันหารู้สึกไม่พอใจแช่อยู่ในความไม่พอใจคิดแล้วคิดอีจะไปเปลี่ยนเมื่อไหร่เปลี่ยนได้ที่ไหนขณะที่คิดอยู่อย่างนั้นก็เรียกเป็นภาวะตันหาตัวภาวะตันหาจึงเป็นได้ทั้งสองทาง จะแช่อยู่ในความพอใจแช่อยู่ในความไม่พอใจขณะที่เรากําลังขุ่นมัวคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่ด้วยความไม่พอใจเนี่ยก็เป็นภวะตัณหาด้วยสาเหตุเพียงประการเดียวว่าเราไม่มีสติตามรู้ความสบายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะมันลุกลามไปเรื่อยๆแตกงอกออกลากไปยาวนะยาวเฟื้อยเลยนะอ่ะาคำว่าฉันทะเคยได้ยินคํานี้ไหม ตัวไอ้กัรหารเนี่ยตัวกรมฉันทะได้เป็นตัวที่หนึ่งของนิวรณ์ทั้งห้าใช่ไหมกรมฉันทะคือตัวไข่อยากนะตัวไข่อยากเวลาไม่พอใจก็ไข่อยากจะเปลี่ยนเวลาพอใจก็ไข่อยากจะได้ให้มันอยู่กับเรานานานกรมฉันทะตัวนี้ทีนี้ทําไมมันจึงเป็นตัวนิวรณ์เป็นตัวที่หนึ่งกรมฉันทะตัวเนี้ยนะซึ่งมันเป็นตัวที่เราคุ้นถ้าจะ แปลในภาษานิวอลแปลว่ามีความอ่ามีความอยากจะได้ความสุขที่ปฏิบัติธรรมก็เนื่อว่ามันอยากจะได้ความสุขพอปฏิบัติแล้วมันทรมานเหลือเกินนี่ทรมานมันก็เกิดการไม่พอใจเกิดการขี้เกียจขึ้นมาก็จะมีตัวตรงกันข้ามคือพยาปาทะใช่ไหมยาปาทะม่กี่อ่าตัวนี้ โทมนัสปฏิฆะมันต้องมาปฏิฆะก่อนถ้าหากว่าไม่ได้อย่างใจเนี่ยมันก็เกิดปฏิฆะไม่สบายใจก่อนว่าเอปฏิบัติแล้วอยากจะให้มันสบายอยากจะให้มันสุขมาปฏิบัติทำไม่ ไ, มได้มาทุกข์นะต้องการมาสุขแต่ไม่มสุขไม่ได้อย่างใจมันก็เกิดปฏิฆะปฏิฆะตัวเนี้อาชิเทชันปฏิฆะแล้วก็ตัวโทโมนัสความไม่สบายใจ แล้วกความขุนใจมันตรงข้ามกับเมื่อกี้ตัวกรารมาจันทะไม่ได้เต่าสนองมันจะมาเกิดตัวนี้คือพยาพาทะคือความขัดเคืองนะว่าขัดเคืองขุนค้องขัดเคืองแล้วก็ใจไม่ดีนี่ขัดเคืองขุนค้องขัดเคืองใจแล้วก็ใจไม่ดีมาเป็นโทสะอรามนณะก็เกิดการดื้อแพ่งขึ้นมา ฉันไม่อยากทําไม่เอาอะใครจะว่าไงฉันมันก็เกิดพัฒนาขึไปเรื่อยๆขณะที่ภาวะจิตตัวอย่างเนี้ยเราก็ไม่ได้สติเพราะเนื่องจากว่าเรายังเฝ้าดูจิตไม่เป็นดูอาการของจิตไม่เป็นแต่พอเราเจอเลสติบ่อยเข้าบ่อยเข้าแล้วก็เฝ้าดูอาการเหล่านี้พอเฝ้าดูอาการเหล่านี้ปั๊บมันจะเปลี่ยนนะมันก็จะเปลี่ยนแต่นี้เราว่านึงฝ่ายเกิดใชก่อนฝ่ายที่มันเกิดทุกขนนะ์นะที่ันทิตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรดู นั่นที่เปลี่ยนมาเป็ น, นาการมาฉันทะนะว่าในฝ่ายสุขเวทนาให้สุดก่อนนะว่าการมาฉันทะแล้วก็พัฒนามาเป็นโลภะหมายความว่าโลภอยากจะได้โอ้วันนี้ได้ปีติอยากจะนั่งยาวๆอยากจะไม่อยากจะเปลี่ยนท่าก็อยากจะได้ความรู้สึกอย่างนั้นต่อไปอีก แล้วก็ยึดว่าเวลาปฏิบัติทุกครั้งต้องได้ปิติต้องได้ความเบาสบายนะถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อันนี้ก็ยังเป็นการมุปงบัานแหละคือคืออยากจะได้อยากจะยึดเอาไว้แล้วก็ทุกครั้งกลายเป็นความอยากเป็นอนุใสเป็นสิ่งที่เป็นตกเป็นตะก ร, ระันไปละนะราคานุใสจนเป็นการมาสวะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นกิเลสอย่างหยาบก็คือตัวตัวตัณหาเนี่นะ แบ่งเป็นสามกิเลสอย่างกิเลสอย่างหยาบถ้าหากในฝ่ายตัวของอทุกขเวทนาเนี่ยก็คือตันห า, าราคะกิเลสอย่างหยาบตันหากิเลสอย่างกลางนะในฝ่ายที่เป็นอนจิจจงนะแล้วก็กามาสะวะตัวตัวล่างสุดเนะ่ยเป็นกิเลสอย่างละเอียดดังนั้นกิเลสในฝ่ายอนิจจง นะตัวนี้ก็พัฒนามันมีกี่ตัวเนี่ยดูนะตั้งแต่แรกมา 1. สุขเวทนา 2. โสมนั ส, สเวทนา 3. อภิชาตสีนันทิ่ 5. ราคะ 6. ตันหา 7. จ็ดกามตนหา 8. พระวตนะหา 9. วิพวตนหา 10. กามาฉันทะ 11. โลภะ 12. กามุปทาน 13. โลภานุ ส, า 14, านสัย 14. ราคาใสสิบหากามาสวะ น, นะรากมันยืดออกไปเป็นรากฝอยอะ อ่าเป็นหลักฝอยแล้วก็ลดน้ํามาทุกวัน <c oughs> คือหมายความพอใจนั่นแหละคือความพอใจนี่นคือการลดน้ําพอใจคข้างหนึ่งก็ลดน้ำํำข้างหนึ่งลดน้ำข้างหนึ่งงาบลากพวกนี้ก็งอกไปข้งหนึ่งเราอยู่บ้านแล้วก็ลดน้ํามาเรื่อยๆนะนัะ้นในฝ่ายนี้ก็จึงเป็นเหตุให้เกิดตัวทุกยากลําบากมากมายทุกวันที่เราทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้เนื่องจากว่าเราไปยึดติดความพอใจมันจะต้องมีผล ตีกลับอย่างว่าอย่างที่ได้กล่าวไปตอนกลางวันนะถ้าเราพอใจมากๆพอไปกระทบอีกฝ่ายหนึ่งก็ความพอใจมากๆนี่มันเกิดเป็นความไม่พอใจมากๆที่เราเป็นสุขมากๆเนี่ยใครมีสุขมากๆเราก็จะไปอิจฉาเพราะมันตีกลับก็เป็นทุกข์มากๆเหมือนกันสุขก็จะตายพอเวลามันทุกข์ขึ้นมาทุกข์ก็จะตายเหมือนกันเหมือนเด้อมันมันสูุดขั้ว อ, อันนี้เป็น ตัวอย่างเป็นฝีมือของน้องอะไรตะดาวันเนา ะ, ะทำบอกว่าเราอนุโมทนาสาธุความตั้งใจของเออเธอเสียสละทั้งวันเลยนัมาทำเรื่องนี้นนก็จะเป็นอุปกรณ์ไม่ไม่ให้เหนื่อยเกินไปนะะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะนำเสนอวันนี้ก็คือว่าตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันมันเป็นการเข้าไปทุกครั้งเนี่ย ถ้าเราจะลดน้ำเราก็ยังมือเสียอย่าไปลดรู้ว่าถ้าไปพอใจซ้ำๆๆในเรื่องใดก็ตามทุกครั้งที่เราพอใจรากเงาและรากฝอยของความพอใจก็จะแยกมาเป็นอย่างเนี้ยเป็นกรมวชันธะโลภะอุปาทานเป็นโลกเป็นร า, าคะอะไรมันก็จะงอกขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันก็จะออกมาแง่ของความคิด เวลาเราชอบใจอะไรหนึ่งก็จะคิดถึงเรื่อ ง, องนั้นชอบผ้าอยากจะได้ผ้าคุณนั่งคิดแต่เรื่องผ้าตอนนั้นเนี่ยมันก็ ง, งอกไปเรลย อ, อยากจะได้รถคันนี้มันสวยก็คิดแต่เรื่องรถก็จะได้เงินมาซื้อรถคันนี้ได้ยังไงนะไปชอบบ้านหลังหนึ่งคิดจนได้บ้านนะไปชอบผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งก็คิดจนกระทั่งได้ผู้หญิงผู้ชายมาอยู่ด้วยใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเละงอกรากเอา ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มกันน่ะที่เราไปลดน้ำตัวความพอใจจนกระทั่งว่าสิ่งนี้มันก็มาผูกพันเราจนกระทั่งเราไม่มีอิสระไม่มีอิสระภาพด้วยกนรลดน้าดังนั้นความยินดีพอใจนั้นมันก็มีผลให้เราติดต่อเมื่อมันเกิดพิษขึ้นมาต่อเมื่อสิ่งที่เราติดมัน แยกตัวเราไปนั่นแหละความทุกข์มันก็เกิดนั้นเวลาเราปฏิบัติท่านก็ไม่ให้มารู้แค่2เรื่องเนี่ยที่เราสวดไม่กี้ใช่ไหมวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัตอะพิชาคือความพอใจโทมนัตคือความไม่พอใจให้ตัดแค่2เรื่องนี้นะวินัยยะวินัยยะแปลว่าขาจัดตัดออกเอาออกซะที่เรามาเจริญสติในดูกายดูเวทนาดูจิตดูอารมณ์เนี่ยเพื่อจะเอา2เรื่องนี้ออก เพราะมีสองเรื่องนี้เรื่องมันถึงเกิดใหญ่ตโตมโหลานตลอดชีวิตพวกเราแต่เรามันก็ตัดมันยากแต่ท่านบอกว่าไม่ต้องตัดใช้วิธีเพิ่มสมมุติว่าน้ำแก้วหนึ่งมียาพิษอยู่ในแก้วนี้ถ้าเรากินแล้วก็จะตายหรือป่วยแต่เราจะทำยังไงให้เป็นยาพิษเนี่ยให้มันหมดสภาพนั้นก็คือเติมน้ำเปล่าลงไป ถ้าหนึ่งแก้วยังเข้มอยู่แก้วที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเติมไปหนึ่งร้อยแก้วหนึ่งพันแก้วนีย่ยาพิษในแก้วนั้นไม่เสี่ยงตายละดีวริการเป็นยาบำรุงนะอะยาพิษบาตัวพอเจียจางเดีพอดีการเป็ยาบำรุงไว้ก็มีเหมือนกันเรารู้ว่ามีความพอใจที่เข้มข้นเราก็เอาตัวรู้สึกตัวเนี่ยไปเจียจางเยอะเยอะ ที่เราสร้างเยอะๆเพื่ออะไเพื่อเตรียมไว้เพื่อจะไปเจือจากความเข้มข้นของตัวพอใจและไม่พอใจที่มันเคยมีนั้นะเราเห็นอว่าพระพุทธเจ้าท่านมีเมตตากรุณาต่อคนก็ไม่ใช่ว่าท่านะจะไม่รู้สาเหตุสาเห ต, เหตุว่าการที่คนเราไปพอใจเนี่ยท่านเห็นว่าวันหนึ่งถ้ามันตีกลับเนี่ยอความไม่พอใจยุงรูแรงมันเข้ามา ท่านจึงเฉยๆกับความพอใจไม่พอใจเพราะว่ามันเหตุปัจจัยคลงกันเลยกันเพราะนั้นความรู้สึกเฉยๆรู้ว่ามันอร่อยก็ให้รู้สึกเฉยๆเอาไว้ถ้าไปพอใจในความอร่อยมันเลยวันหนึ่งความไม่อร่อยมาทําให้เราไม่พอใจออันนี้อภิชาและโทมนัสแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นนิสัยไปเลยนะนิสัยจนกระทั่งทุกวั น, นะมีความพอใจและความไม่พอใจที่รุนแรงมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันได้อย่างใจ วัตถุนิยมทั้งหลายเนี่ยมันตอบสนองความพอใจไม่พอใจแล้วก็อันไหนที่คนรู้สึกพอใจมากๆสิ่งนั้นก็เป็นไงราคาก็แพงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมราคาก็แพงขึ้นเมื่อราคาแพงขึ้นมากๆเราก็จะต้องหาเงินมากๆเมื่อหาเงินมากๆมันก็มีพอใจในวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไปเรื่อยๆเป็น สิบชินช้นยี่สิบชิ้นแล้วตลอดชีวิตของเราก็ตกเป็นธาตุของความพอใจนะธาตุของความพอใจแล้วความพอใจสิ่งที่เราพอใจนี่มันก็เป็นตกเป็นกฎของใตรักคือจะต้องเปลี่ยนแปลงต้องเก่าต้องเสียโทรศัพท์เครื่องนี้ซื้อมาตั้งหลายหมื่นนะวันหนึ่งมันเกิดมีปัญหาขึ้นม า, อ, าอ้าวโอเสียดายเสียใจไปหลายวันข้อมูลทั้งหมดด้วยไหนหมดหายหมดเลยใช่ไหมโอ้ ข้อมูลเลยล่มสลายหมดเลยนะแล้วก็เกิดความเสียใจเป็นเรื่องเป็นราวเลยจะพ้องจะร้ อ, องอกันอะไรนี่เห็นไหมมันก็จะตามมาในความพอใจอันนั้นนี้ตลอดถึงเรื่องอเงินทองของข้าวบางคนมีความพอใจในการหาเงินได้เป็นหลายล้านหลายสิบล้านวันหนึ่งเงินมันหายไปจากบัญชีไปหมดเลยอยู่ไม่ได้เพราะความพอใจที่สั่งสมมายาวนาน ครอบวก็อยู่ไม่ได้เป็นหนี้เป็นศินไม่มีเงินจ่ายเพราะบัญชีถูกแฮกไปนะทําไงพึ่งใครผู้ทั้งฉะ น, นั้นข้าชาวมิไม่ได้พึ่งล้วปืนปังฉันนังขะชาวมิแล้วเนี่ยเจอเขาม อ, อตัวเองตายอันนี้ก็ความพอใจที่สั่งสมมวาว่ามีพลังใช่ไหมพอมันตีกลับเป็นความไม่พอใจก็อยู่ไม่ได้เลยต้องฆ่าตัวตายในขณะนั้นแต่นั้นเองในเรื่องของ การปฏิบัติเนี่ยรู้ว่ามาว่ามันจะทำไงเราึงจะปลูกฝังเรื่องนี้ตั้งแต่เล็กๆ เ, เพื่อที่โตมาแล้วมันจะได้มีโอกาสได้เชื่อจรเรื่องนี้ให้มันเบาบางลงบ้างนั้นความเจริญของวัตถุเนี่ยมันไม่ดีตรงที่มันไปเพิ่มเติมความพอใจให้สูงขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นธุรกิจการค้าของนัก สแสดงนักการค้าทั้งหลายที่ทําเงินเพื่อให้เกิด ค, ความพอใจเมื่อเราติดรุดอาหารเราก็เกิดความพอใจอาหารตัวเองปรุงที่บ้านมันไม่อร่อยใช่ไหมเราก็ไปกินอาหารนอกบ้านเพราะคนที่เขาขายอาหารเขานึกถึงสุขภาพของเราไหมไม่นึกถึงเขานึกถึงอะไรของเร า, าเงินในกระเป๋าของเรา <laughs> มันจะได้แพงขนาดไหนเสร็จแล้วเราก็ไปเสียเงินเสียทองแล้วก็เสียสุขภาพ และสิ่งนั้นดังนั้นเองหลังจากที่เราปฏิบัติธรรมแล้วนะเราค่อยหยิบสิ่งเหล่านี้มาพิจรารณาทีละอย่างอย่ทีละอย่างละอย่า ง, เร า, งเราก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงแค่เห็นรูปนามเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงระดับที่1ว่าเรารูปกับนามกายกับใจของเรานี้ได้มาด้วยวิบากกรรมที่เป็นอกุศลแต่ทีนี้นไหนไหนมันเป็นอกุศลแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นกุศลได้ไหม แล้เอารูปนามเนี่มาสร้างกุศลด้วยการมาสร้างสิ่งแรกที่สุดคือมาสร้างดวงตาก่อนแต่ดังที่เราไปเห็นในสิ่งที่มันเป็นอากุศลทั้งหลายเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักสิ่งนั้นว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะไม่รู้จักก็ทําไปมันก็ถูกบ้างผิดบ้างดีบ้างเสียบ้างก็ทําให้เกิดความไม่แน่นอนทีนี้เมื่อมาปฏิบัติธรรมครั้งแรกเนี่ยเราต้องการให้ได้ดวงตาก่อนดวงตาตรงไหนดวงตาว่าเอออันนี้มันรูปนะ นี่มันนามอันนี้มันกายอันนี้มันใจอันนี้มันธาตุสี่อันนี้มันขันธ์ห้าให้รู้ให้ชัดแล้วพอเรามารู้อย่างนี้ชัดเข้าชัดเข้าเนี่ยเมื่อก่อนเราเห็นว่ารูปนามอันนี้เป็นของเราเป็นเราเป็นที่รักของเราใครมาทําให้เราไม่พอใจไม่ได้เราก็จะไปยึดเป็นของเราแต่พอเรามาปฏิบัติเราเห็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่เราเนี่มันเป็นของธรรมนะชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เข้าไปบริหารจัดการ ให้รูปนามเนี่ยมอีอะไรมีประโยชน์ขึ้นมาใช่ไหมมันไม่สบายก็ทําให้มันสบายขึ้นมาบ้างแล้วก็รู้ว่ามันไม่สบายเพราะอะไรเพราะเราไปตอบสนองความอยากของเรามากเกินไปต้องทํางานหามลูกหามข้าวต้องเรียนกันทั้งวันทั้งคืนเรียนแค่แต่เล็กๆ เ, เลยนะเพื่ออะไรเพื่อจะหาวัาตถุมาตอบสนองความอยากเรีนวงทูวงค้าวเรียนเรื่องแต่อนุบาลนนะ่ะเด็กแทนที่จะได้โตตามธรรมชาติใช่ไหม ต้องตอบสนองความอยากของพ่อแม่อีกอเรียนก่นได้สองสาขั้วขึ้นไปนเด็กก็คอยถูกเบียดเบียนเขาไม่ได้เดติบโตทางธรรมชาติแล้วดังนั้นเราสืบสาวไปให้ดีว่ารากรูทของความพอใจเนี่ยมันกินลึกมากเลยถ้าหากว่าเราอาจัดการเรื่องความพอใจได้อย่างเดียวความไม่พอใจก็จะหายไปเป็นไม้กระเดื่องนะพอเราเหยียบทางนี้ทางนุง่งเรือขึ้นใช่ไหมถ้าเรามาเหยียบตรงกลางทั้งนี้ก็ไม่ขึ้น ทังนี้ไม่ตรงนี้ไม่ลงทางนั้นมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมถ้ทาที่ในลงทางนั้นก็ขึ้นอเรามาชมอยู่ความพอใจความไม่พอใจก็ขึ้นมารอยจังหวนะแล้วพอเราไปทางนี้ปับ๊บมาทางนั้นก็ขึ้นท่านก็บอกให้มายื่งอยู่ตรงกลางใะมันจะไม่ขึ้นไม่ลงนี่มันเป็นกฎของเศรธรรมแต่เนื่องจากว่าเราไม่รู้เพราะเราไม่มีดวงตาเห็นธรรมนั้นเบื้องต้นที่สุดที่มาเจริญสติเจริญสมาธิ ป, ปัญญาเนี่ยเราต้องใช้ ความอดทนตอกย้ําซ้ําอยู่ความรู้สึกเดิมๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสร้างสัญญาใหม่สัญญาเก่าเนี่ยมันต้องการเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องนี้เป็นรู้เรื่องนี้จากเรื่องวันหนึ่งเนี่ยไปเปิดดูหนังฟังเพลงดูไลน์ดูอะไรเปลี่ยนไปร้อยละอันพันเรื่องเลยใช่ไหมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่เสถียรไม่อยู่กันที่สักเรื่องเดียวแต่พอม า, าปฏิบัติปั๊บเราเอาความสนใจมาแช่อยู่เรื่องเดียวหรือหูมันรู้สึกโมดีแล้วมันคาดมากอึอดอัดแต่ ด้วยความปรารถนาว่าเราอยากจะสร้างกุศลใหม่สร้างชีวิตใหม่เราจําเป็นต้องควบคุมบังคับให้จิตใจให้สนใจแต่เรื่องเดียวเนี่ยให้นานๆเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาถ้ามันไม่จดจอ่อต่อเนื่องอยู่ที่เดียวนานๆเนี่ยตัวจิตของเรามันก็แกวนแล้วคอยบังคับควบคุมเพื่อมาอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยนานๆเราจะไม่พยายามที่ให้ไปอยู่กับวัตถุสื่ออื่น เพราะอะไรเพราะเราถ้าไปอยู่ไปรู้กับสิ่งอื่นเนี่ยจิตของเรามันไม่ได้รู้จักตัวเองเพราะมันออกจากตัวไปเราจึงให้มันมาจดิดจอดต่อเ น, นื่องอยู่กับรูป ก, กับนามกับกายกับใจเนี่ยนานๆเพื่อมันเห็นว่าในกายของเรามันมีอะไรบ้างในใจของเราจริงๆมันคืออะไรเจาะลึกสแกนลงไปเอ็กซเรยลงไปดูเท้าแต่หัวจุดเท้าเห็นเห็นอาการนะเห็นอาการไม่ใช่เห็นไอสิ่งที่เป็นวัตถุนะ ไอาการที่จะตรวจสอบลงไปไม่ได้เห็นว่าอั น, นีผมคนเล็บฝันหนังนั้นอีกความหมายหนึ่งเป็นแง่ของสมถนะแต่แง่ของสมรถสมรถนะท้าเห็นอย่างนั้นก่อนว่าผมเป็นอย่างนี้คนเป็นอย่างนี้เล็บเป็นอย่างนี้ฟันเป็นแยกออกมาอันนั้นก็เรียกเป็นสมถนะแต่ในแง่วิปัสสนาท่านให้ดูอาการทั้งหมดเนี่ยมันมีสามสิบสองชิ้นประกอบกันเข้าอาการมันมีอยู่แค่ขี่อย่างก็มีแค่สามอาการใช่ไหมอาการสบายไม่สบายแล้วก็ ยังไม่แน่ว่ามันสบายหรือไม่สบายไปดูอาการทางกายก็มีสามไปดูอาการทางจิตก็มีสามคือความพอใจไม่พอใจแล้วก็ไม่ไม่แน่ไม่รู้ใจทั้งสามอาการถ้าหากเราเรียนรู้ความสบายไม่สบายของทางรูปเราก็จะได้อารมณ์สมถะพอเราไปตามรู้ความสบายไม่สบายแล้วเฉยๆของใจหรือนามเราก็จะได้วิปัสสนา นะจะเรียนรู้ไปพร้อมกันทั้งสมถาวิปัสนาถ้าหากว่าในใจของเราไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ไม่มีปัญหาอะไรเราก็มาดูาความสบายไม่สบายของกายเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นที่ตั้งของจิตเพราะนั้นวิธีการของพุทธเถเนี่ยพยายามจะรวมสมถาวิปัสนาเป็นเรื่องเดียวกันเพราะในช่วงไหนที่ไม่มีปัญหาทางจิตเราก็มาดูกายทาสมถะไปเรื่อย ในช่วงไหนมีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตแล้วก็ไปแก้ไขตรงนั้นแล้วก็กลับมาอยู่กับกายใหม่เพราะกายมันมีปัญหาตลอดเวลาใช่ไหมปวดมันเมื่อยมันอแปรปวนตลอดเวลาแล้วก็เอาจิตมาเกาะเกี่ยวกับมันในที่สุดพอจิตของเรามาคุ้นเคยว่ารูปหรือเรียกว่าเราเรือว่ารูปตัวนี้ยมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงแตกดับอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งว่ามันเกิดปัญญาละเมื่อก่อนเราไม่ได้ดูมานา น, านใช่ไหมเราไปดูแต่เรื่องอื่น เราไม่เคยมาดูตัวเองแล้วก็ลืมแล้วก็หลงหลงตัวเราเป็นนั่นเป็นี่ไปแต่เราไม่เห็นความจริงเพรไม่เห็นความจริงอ้าอันนี้มั น, ม น, มนวัตถุเป็นที่ตั้งของความแปรปรวนแตกดับตลอดเวลาเนี่ยมันไม่น่ารักไม่น่าใครไม่น่าหลงไม่น่าเป็นกับร่างกายอันนี้เลยเราต้องเลี้ยงดูเราต้องบริหารจัดการมตั้งแต่ตื่นนอนจนตั้งแต่ตื่นนอนจนทั้งุกทั้งวันะบริหารจัดการเรื่องร่างกายเนี่ยไม่เคยจบในที่สุดมนันจะเกิดปัญญาอุสร้างหน้าเบือ่อเนาะ มันก็ค <to my> ่อยแต่เมื่อก่อนมันน่ารักใช่ไหน่ารักน่ารักหรอกเอาค่อยตกแต่งค่อยดูแลแต่มันก็ไม่เคยจบเราจะแต่งมันดีขนาดไหนมันก็มันก็เปลี่ยนแปลงเสริมสวยครั้งละหลายๆลหมื่นหลายๆพันมะก็หมดเงินไปมันก็กลับไาเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละในที่สุดมันก็เกิดปัญญากูไม่เหนื่อยกับมึงอีกแล้วมันมียังไงก็ไปอย่างงั้นแหละนะเอาแค่พอดูได้ก็พอไม่ใช่เกิดปัญญาแล้วก็ยอมรับความจริง แต่เมื่อก่อนนี่เราไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมพยายามพอกพยายามคูพยายามดึยายามเงเสื้อผ้าเรื่องการแต่งเนือ้อแต่งตัวอ้มันหนักมันเหนื่อยหางเงินเพื่อจะพอกคูนในสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยในที่สุดเราก็เริ่มมีปัญญาเกิดปัญญาขึ้นเรามาเขาเรียกว่ามาตกแต่งภายในให้ร่างกายนี้แทนที่จะให้มันสวยภายนอกจะ ใ, ให้มันสวยภายในสวยภายในหมายถึงว่ามีสุขภาพดีนะเหมาออ ก, กับร่างกายมาทานอาหารสุขภาพ มาดูแลสุขภาพให้ดีเข้มแข็งอันนี้เป็นของที่ยั่งยืนกว่า <c oughs> ไม่ต้องเสียงเงินบ่อยนะแต่ว่าก็ไม่ถึงว่าเราต้องไปซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆ น, นะแค่ว่าเราอนอนหลับสบายทานอาหารธรรมชาติออกกำลังกายทุกวันแค่นี้แหละเราก็จะเห็นว่าอ๋อเราสามารถเอาสาระจากมันได้บ้างมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปลปวนไม่แตกดับไปเกินไปมันก็ชะลอ ชะลอการแก่การเจ็บการตายลงไปชะลอการป่วยลงไปเราเริ่มเห็นสิ่งที่สาระเป็นสาระสิ่งไหนที่ไร้สาระเราเริ่มมองเห็นแต่เมื่อก่อนเราพยายามไปมองเห็นในสิ่งที่ไร้สาระว่ามีสาระแต่สิ่งที่กับมีสาระเราก็มองไม่เห็นพอมาปฏิบัติธรรมเราเริ่มมองเห็นตัวนี้เองเขาเรียกวมันเริ่มเกิดปัญญาทีละนิดละนิดขึ้นมาดังนั้นการที่เรารักษาจิตใจให้จดจ่อซ้ำซากอยู่กับตัวรู้ปัจจุบัน มันมีผลตรงนี้มีผลทําให้เกิดเราเห็นความจริงมองลงไปมองลงไปมองลงไปจนกระทั่งเห็นภาพชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตัวหยานปัญญามันก็เกิดดังนั้นลักษณะที่เรากําลังดูเฝ้าดูศึกฝนเรื่องนี้มันไม่สบายแบบเขาเรียกว่าอาตาปีหรือตาบะมันเบื่อมันเซ็งมันร้อนมันหนาวมันขี้เกียจมันปวดมันเมื่อยเราต้องทนอ่ะเพื่ออะไรเพื่อจะ เผาผ่าญนะความรู้สึกสองประการคือความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจนะให้มาดูเป็นความรู้สึกเฉยๆถ้าหากว่าเราไม่ทําอย่างเนี้ยจิตเราก็ตกไปเป็นท่านในความพอใจไม่พอใจตามความอยากแต่พอเรามาจดุดจอดต่อเ น, นึ่งเหล่านี่ยความพอใจไม่พอใจมันก็ถูกเผาถูกลนุนถูกจิตเราเริ่มนิ่งเริ่มเฉยอะไรมากระทบกระแทกให้พอใจก็ลึกเฉยๆ อะไรมากระทบกระทแทกให้เกิดความไม่พอใจก็รู้สึกนิ่งเฉยเพราะว่าจิตเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ยดังนั้นการที่เรานั่งทํานานๆเนี่ยมันมีผลนะไม่ใช่มีผลเมื่อนั่งตอกห ล, ล, นะลั ก, ลลกลเอกาะเพราตอกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ลึกลงไปลึกลงไปใช่ไหมเมื่อยกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ตอกย้ําความรู้สึกสัญญาของเราเป็นสัญญาใหม่นะสัญญาที่ซื่ อ, อ, อตร ง, ตรงๆเฉยๆไม่เป็นสัญญาของความเป็น ท่านว่าเห็นสัญญาสาประการหนึ่งให้เห็นเป็นอันิจ้สัญญาย้ำว่าสิ่งสัญญาว่ามันไม่เที่ยงนะนะสองเกิดทุกขสัญญาเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นีตั้งของทุกสามให้เห็นเป็นอนัตตสัญญาว่าสิ่งนี้มันไม่มีสาระแก่นสารที่แท้จริงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาสร้างสัญญาใหม่ขึ้นมาสัญญาเก่ามันเป็นสุขสัญญาใช่ไหมราคะสัญญาโทสะสัญญาโมหสัญญา เราไปเปลี่ยนสัญญาตัวน้นมาเป็นตัวทุกขังอนิจจงอนัตตาสัญญ า, าเสียมันก็จะเกิดตัวสัญญาใหม่ขึ้นมาแลตัวสัญญาใหม่ตัวนี้เองเขาเรียกว่าสติปัญญาตัวสัญญาเก่าเรียกว่าตัณหาอุปาทานซึ่งมันเป็นเหตุให้เราต้องติดต้องจมต้องยึดไปกับความรู้สึกเช่นนั้ น, น, นทีนี้ก็ามาดูอีกทีหนึ่งน ะ, ะเรามาถึงทุกข์ <c oughs> สัญญาแล้ว มาดูว่าในแง่ของวิชาบังเมื่อกี้แต่ข้างทั้งหมดทั้งสามอย่างเราเรียนแค่อย่างเดียวนี่ก็พอคืออนิจจังทุกขังนัตตาเป็นพูนของอนิจจังเพราะนั้นสามตัวนะี่อนิจจังทุขังนัตตาตัวที่สําคัญที่สุดคือตัวอนิจจังเพราะไม่มีอนิจจังทุกขังนัตตาจะมีไหมไม่มีนะเพราะนั้นเราเรียนรู้เรื่องอนิจจังให้ให้ละเอียดซะตัวราคะโทสะโมหะถ้าจัดการราคะได้ตัวเดียวเนี่ย โทรศและโมหะก็ถูกจัดการไปด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวตัวราคะเมื่อนาคามีถึงจะละได้นะราคะนี่นะพอละตัวนี้ได้โทรศัพทและโมหะท่านก็บำบัดแล้วนะทีนี้พอมาดูฝ่ายตัววิชาบ้างอา น, นิจังเปลี่ยนมาเป็นศีลอ่าเพราะอะไรตั้งกล่าวไปว่าความรู้สึกสบายความรู้สึกสบายปแปล ว, ว่าปกติ ปกติเพราะว่าศินสีลจะเกิดได้ก็เกิดจากการสํารวมระวังไม่ใช่มันจะเกิดได้เองสํารวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อก่อนมันเคยแส่สายไปทำความรู้สึกพอใจเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ให้มันแส่สายไปนะเป็นอิจฉาสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบปลุเสียงกีกกนะรติก็รู้เฉยๆนะปฏิโมกสังวร น, นะตัวนี้รู้สึกเราจะไม่คุ้นนะตัวเนี้ปฏิโมกสังวรตัวตัวเนี้ยใช่ไหม อีสีสังวรนี่หมายถึงว่าระวังตาหัวจงริกายใจแต่ว่าปฏิโมกสังวรนี่หมายเพาะว่ามันจะต้องมีระบบระเบียบนะออมาที่นี่เขาให้ระวังเรื่องหนึ่งอย่าให้พกโทรศัพท์อย่างเงี้แล้วก็เป็นปฏิโมกสังวรอ่าสองเวลาอยู่ด้วยกันก็อย่าคุยกันเสียงดังเพราะเพื่อนที่นอนใกล้ๆเขาจะราคาญเอาตรงนี้สามเวลามีการจัดการเรื่อง นั่งเรื่องอะไรต่งาง ก, ก็ต้องระวังนะไม่ให้มันกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันแล้วก็มีศรัทธาเนี่ยตัวนี้มีศรัทธาถ้าเกิดปฏิโมยสมังวรโอ้มาอยู่ด้วยกันมีระบบระเบียบดีก็เกิดความรู้สึกสบายปลอดภัยแล้วก็สงบเรียบร้อยเกิดความพอใจมีความศรัทธามันก็เกิดปัญญาขึ้นมาคือโยนิสุวัติิการและกายสุจเรลิตก็เกิด ข, ขึ้นคือความบริสุทธิ์ สะอาดทั้งด้านร่างกายวาจาและจิตการจะพูดอะไรก็รู้สึกเป็นศีลเป็นธรรมการจะทําอะไรก็เป็นศีลเป็นธรรมการจะคิดอะไรก็เป็นศีลคือเป็นกุศลสุจริตสาก็เกิดขึ้นนะในส่วนนี้แต่ว่าในในส่วนที่ทําไมจึงว่าสุขทุกเวทนามันจะเปลี่ยนมาเป็นสมาธิดังได้กล่าวแล้วว่าตัวที่ทําให้เกิดสมาธิศารตั้งต้นของสมาธิคืออะไรคือขันติใช่ไหม ขันติโซรจจะจักระว่าเราต้องทนอยู่กับความเบื่อหน่ายทนอยู่กับความขี้เกียจทนอยู่กับความปวดเมื่อยทนอยู่กับความซ้ํากเนี่ยมันต้องใช้ขันติอย่างมากเลยตัวนี้กลับมาเป็นผลดีกับเราคือเกิดสมาธิถ้าหากว่าทนได้น้อยๆเรียกว่าขณิกาสมาธิรู้สึกทนได้มากขึ้นยาวขึ้นแลียอุปจารสมาธิแล้วว่าทนจนเป็นเกิดจะเป็นธรรมดาบ้ละเรื่องเนี้ย ไม่ต้องแทบจะไม่ต้องทนอ่ะเรียกว่า ป, ปนญหา ส, สมาธิเนี่ยคนให้ตัวทนทนอย่างพอใจนะทนแบบเพื่อขันตินะไม่ใช่ขันแตกเนะี่ยถ้าทนแบบขันติคือทนแบบขันติปรมังตะโปตีถิขาใช่ไหมไปเลยส่วนขันติคือความบดกั้นเป็นทำเครื่องเผาเกิเลสเผาความพอใจไม่พอใจทิ้งไปพอความไม่พอใจถ้าหากว่าขนาดที่เราทนตัวรู้สึกว่า ความพอใจก็ไม่มีความไม่พอใจมีเพิ่งเฉยเฉยมันเป็นฌานที่สามเลยนะละสุขละทุกข์เสียได้ละความพอใจและความไม่พอใจเป็นฌานที่สามเลยเดียวเพราะฉะนั้นในปฏิบัติวันนี้บางคนบอกเอ้มีฌานหรือเปล่าฌานเมืเ่อใดถึงว่านั่งหลับตาสงบนิ่งดิ่ ง, ง, งดับไปไม่ใช่อย่างนั้นฌานหมายถึงว่าจิตของเราหนึ่งไม่มีวิตต ว, วิจารมีความผูกใงในใจสองก็คือมีสติสัมผัสชัดเจน สามคือละความสุขความทุกข์ความพอจะไม่พอใจเสียได้ชั้นที่สี่ก็คือมีความรู้สึกตัวเท่าพรมแล้วจิตนิ่งๆเฉยๆรู้เฉยๆนะเป็นทะลุ ถ, ถ, ถึงชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สี่เลยนะแต่คุณไม่ต้องไปนั่งหลับตาอย่างที่เขานั่งทํำก็ ก, ก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยมันไปทั 1, ้งที่หนึ่งทีชั้นที่สี่ทีเดียวเพราะว่าอะไรนิยามของชั้นที่สี่คือมีสติเลิกเปรคหายใช่ไหมคือมีความรู้สึกซื่อความไม่สบายมากกว่าเฉยๆความรู้สึก คิดมาก็เฉยๆไม่ใส่ใจกับมันเป็นฌานล้นะเพราะนั้นในขณะที่จเจริญสติเฉพาะมีสติสมยิยะรู้ตัวไปมามันก็เป็นฌานที่สามล่ลาะสุขละทุกข์ได้ด้วยแล้วนั่นจะไปสงสัยนะทั้งทั้งสามขั้นเนี่ยทั้งคณิกะสมาธิปุจจารสมาธิอัปนาสมาธิแต่เราไม่ได้เอาหลักปริยัตมายืนยันเพราะมันเกินจาเป็นแต่อตัดโดสภาวะมาก็พอแล้ว ว่าทําไปสักพักหนึ่งเรื่องวิตกวิจารเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เริ่มหายไปแล้วใช่อหมอจากนั้นพอมันมีสมาธิแล้วก็เริ่มเออความเพียรก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนะวิริยะเกิดความปร่มเบาสบายเกิดปีติปัสสิก็สงบระงับไม่กระวนกระวายไม่แสสา ย, สายไม่ฟุ้งซ่านจิตเริ่มนิ่งเริ่มเบาสบายเป็นปสัสสติอันนียก็เนื่องจากว่าเรากําหนดรู้ทุกครั้งนั่นแหละมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้เอาเป็นตัวสมาธิตัว ปีติตัวปฏิทีพของมันเองนะแต่พอเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงต่อระหว่างความสบายไม่สบายเนะี่ยใครเคยตามรู้ได้ชัดๆบ้างช่วนั่งแล้วหนักใช่ไหมพอลุกขึ้นได้เห็นช่วงต่อระหว่างสบายไม่สบายต่อเนื่องกันไหมขณะที่เราขยับขณะที่เราเปลี่ยนถ้าคนไหนตั้งใจดูตรงนั้นบ่อยๆนะมันเกิดตัวปัญญานะ เลวภาวนามยปัญญาคือปัญญาทัวที่สามเลยดังนั้นการที่เราเปลี่ยนีบทเป็นช่วงสําคัญมากเป็นช่วงเชื่อมต่อระหว่างสุขกับทุกเชื่อมต่อกันเรียกอทุกรมสุขถ้าเราเห็นตรงนั้นได้ทุกครั้งเนี่ยเรียว่าปัญญาเกิดทุกครั้งเลยได้ตั้งใจดูไหมในช่วงเปลี่ยนอะไม่อะพลิกพับไปเลยนะไม่เห็นช่วงต่อเลยมันไปสบายก็เป็นไม่สบายไม่สบายก็เป็นสบายไปเลยแต่ช่วงต่อระหว่างสบายไม่สบาย ช่วงต่อระหว่างความพอใจไปสู่ความไม่พอใจเคยเห็นมันยนะก็ยิ่งยากไ่ใช่ไหมขนาดตัวที่ความสบายไม่สบายที่เป็นรูกธรรมแล้วก็ยังดูยากอยู่แล้วนะพอจะรู้อีกทีหนึง่งเอะไม่พอใจแล้วมันเปลี่ยนไปตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเราตามดูมันโดยแย็บใายเนี่ยเราก็จะเห็นพอเราเกิดปัญญาสามประการก็เกิดสมาธิถิ่คือเห็นถูกล้วว่าอ๋ออันนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลานะมันหาสภาวะที่แน่นอนไม่ได้เลย ความสําคัญผิดที่คิดว่าเรามีตัวตนมาเรอค่อยเบาไปเบาไปจากสักยะทิฏฐิก็เปลี่ยนมาเป็นสมาทิฐินะโดยอัตโนมัติพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเราไม่เห็นชัดเจนเราเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายเห็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนนั้นคนนี้ไปตลอดเวลาตอนหลังมาพอเรามาเจริญภาวนาแบบนี้ไปเราก็เห็นตัวตนนี้อ้อมเปที่ตั้งของความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนความแตกดับตลอดเวลาแล้วมันก็ตอกย้ําสัญญาตัวเนี้ยเข้าไปเรื่อยๆ ควสัญญาตัวเก่าของเราที่เคยสำคัญว่าเป็นดุนเป็นแท่งเป็นเขาเป็นเราเป็นสวยเป็นงามเป็นอะไรต่างๆมันค่อยๆลดความสําคัญลงไปความสําคัญผิดก็กลายเป็นความสําคัญถูกก็คือสมาสังปกปะคิดถูกละนะและต่อไปเราก็วางเฉยต่อตัวตนอันนี้นได้มากขึ้นเมื่อก่อนนี่โอ้ขาดอันนั้นไม่ได้อันนี้ก็ขาดเมื่อได้ต้องมีอันนู้นอันนี้อันนั้นตอนหลังมาเราเริ่มวางเฉยได้ว่าเออไม่มีว้างก็ได้นะไม่ต้องใช้บัางก็ได้ เคยใช้ของแต่งตัวแบบนี้เคยใช้เสื้อผ้าแบบนี้เสื้อผ้าที่เคยมีหลายๆชุดเริ่มน้อยลงใช่ไหมเริ่มรุ่นหรูบางคนเข้าใจธรรมะเอาไปบริจาคให้บริจาคสามชุดว่างั้นแต่ก่อนมีสาสิบชุดว่างั้นบริจาคอู๋ต้องเสียค่าดูแลเสียค่าซักเสียค่าตากเสียค่าอบเสียโอ้ยหลายหลอย่างหลังจากไปปฏิบัติธรรมมาเนี่ยมันเลยเห็นว่าสาระมันคืออะไรอสาระมันคืออยู่ได้นึกถึงพระในชุดเดียวเนี่ยไปได้ทั่วโลกเล ย, เยซักเจ็ดวันครั้งอย่างนี้ อมันก็เลยว่าเออสบายภาคก็เลยทําอะไรได้เยอะกว่าใช่ไหมเพราะไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องจุกจิกเหล่านี้มากมายอ่แต่วันไหนที่ทานอาหารเยอะเนี่ยโหเป็นวันที่ทรมานมากเลยนะแต่วันไหนที่ไม่ต้องทานอาหารหรือทานอาหารน้อยน้อยเป็นวันที่สบายมากและเรื่องที่เราเคยติดในรถเนี่ยมันชักก็ไม่ติดละยังไงก็ได้ดังนั้นเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เข้าใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิ นะเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของไตรลักษณ์ทีนี้เราจะทำไงให้มันเป็นที่ตั้งของไตรสิขาก็าต้องเอาตัวตัวแปรคือตัวสติสัญญาที่เราฝึกเนี่ยเข้ามาเป็นตัวอาตาปีตัวอาตาปีหมายความว่ามันจะต้องเพียรด้วยสติสัมปชัญญะเท่านั้นนะถ้าไปเพียรด้วยวัดปฏิบัติต่างๆแปลกๆเนี่ยเาเรียกว่าตาบะอย่างพวกฤาษีเขาทำใช่ไ เรีระว่งบำเพ็ญตบะแต่เราไม่ได้บำเพ็ญตบะเราบำเพ็ญอาตาปีคือเพียนด้วยสติสมัยยะไม่ได้เพียนเพ่งเพื่อจะให้เกิดพลังคลั่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่เพียนเพ่งเพื่อให้จิตมันได้เรียนรู้ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองจะอะไรกำลังเกิดขึ้นได้ตั้งอยู่อะไรกระดับไปได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งความรู้สึกแค่นี้เนี่ยเป็นนิสัยใหม่เราก็เป็นคนชอบเรียนรู้ปัญญาก็เริ่มเกิดนะ เรียนรู้ในสิ่งรอบๆข้างคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่กับสิ่งรอบๆอบข้างหลายๆอย่างเราไม่เคยเห็นความสำคัญของมันเลยนะต่อมาเมื่อจิตเขาเริ่มอยู่ปัจจุบันเราก็เริ่มเห็นความาสวยงามรอบๆ บ, บข้างจิตเราเริ่มนิ่งอยู่กับคนใกล้เคียงเริ่มมีความสุขอยู่กับเริ่มความยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราได้ความสุขความสันโดษก็เกิดขึ้นนะ เพราะฉะนั้นนี้คุณของการที่จิตของเรามาอยู่ปัจจุบันเริ่มหาความสุขกับสิ่งใกล้ๆตัวกับสิ่งง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมีราคาแพงนะเรารู้สึกพอใจในการเคลื่อนไหวเมื่อก่อนเราเดินทั้วันเราไม่รู้สึกซาบซึ้งในการเคลื่อนไหวของตัวเองเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มีการซาบซึ้งในการเคลื่อนไหวอันนี้ไม่ใช่ดราม่าเนะเหตุการณ์จริงๆเลยเนะมื่อก่อนไม่เคยมีความสุขในการเดินเลยใช่ไหมรีบไปรีบมารีบทางรีบกินรีบอะไรแต่ไม่มีความสุขแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกเออเรารู้สึกผ่อน คลายแล้วก็ค่อยไปค่อยมาค่อยนั่งค่อยยืนค่อยเดินค่อยนอนชีวิตก็มีความหมายมีความผ่อนคลายเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ค่อยบูรณาการกันไปเองในะหลังจากที่เราเข้าใจถูกนะแต่ทีนี้ตัวนี้มันเรื่องใหญ่แล้วนะเนี่ยเรื่องไฟเกิดอันนี้ก็นําเอาตัวปฏิสุบัดรูปกับนามเนี่ยว่าเราดูรูปเนี่ยมาถึงดูของสิบสองอย่างนี้นะตั้งแต่อวิชามาถึงสลาบราณะเนี่ยมันเกิดจากสิบสองอย่างแค่นี้แหละแต่ที่เราจะดับมันบ้าง ก็คือเอาเอาตัววิชามาก็คือสติตัวต้นเนี่ยเปลี่ยนคําว่าอวิชาาเป็นคําว่าขาดสติซะเปลี่ยนคาวิชาว่ามีสติซะแล้วตัวลูกของมันตั้งแต่วิสังขารจนมาถึงตัวอริมัชยมีองค์แปก็เป็นลากฝอยทั้งหมดของตัวรู้ตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยมันคอนเทนเอาทั้งหมดทั้งสิบสิบสองสิบสามอย่างเนี่ยมันรวมมาเอาทั้งหมดอะแต่เราก็มารักษาตัวรู้เพียงตัวเดียว ไม่ต้องไปจำอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปจำแต่ให้เห็นว่าเนี่ยคือมันมีที่มานะตัวรู้ตัวเนี้ยไม่ใช่มันามาโดยไม่รู้แต่มันมีที่มาที่ไปของมันเนี่ยมันเป็นวิสังขารคือเป็นตัวรู้ที่ไม่ต้องปรุงแต่งมันเป็นตัวยานคือตัวรู้ที่รู้เข้ามาที่ตัวแล้วก็รู้ที่ไปที่มาเรื่องปุงเพนิวาสนานุญาณ ร, ารู้การเกิดการไว้การเกิดกําดังมีมตละเวลาจะรู้วิธีที่จะเอาความสบายไม่สบายออกจากใจเชื่อสวรรคายยายา์ไสย เราเรารู้ในเรื่องคุณสติปัญสีถึงได้แจงแ้งรายละเอียดไปบ้างแล้วนะรายละเอียดเหล่านี้ทั้งหมดที่เราเรียกว่านามนะเรียกว่านามคือมันเป็นความรู้สึกตัวเกิดก็คือตัวถ้าเกิดขึ้เกิดเรื่องแหะเกิดเรื่องขึ้นในจิตถ้าหากว่ามันอยู่แค่กายการสมุทัยของทุกข์ก็ไม่มีนะถ้าบริหารความรู้สึกต่างๆอยู่แค่กายไม่ให้มันไปนหลุดไปที่จิตตัวดับก็เกิดตลอดคือไม่คอยทุกข์มันไม่เกิดที่จิต แต่สําหรับกายเนี่ยไปห้ามไม่ให้มันเก็บมันป่๋ยมันปนไม่ได้เพราะมันเป็นสังขารโดยกำเนิดมันเกิดมาด้วยวิบากของกรรมเพราะฉะนั้นเราก็บริหารจัดการมันอยู่แค่กายด้วยเอาสติสัมยาที่เราเจริญนี่แหละไปบริหารจัดการทุกที่อยู่ทางกายให้จํากัดอยู่แค่นั้นแต่ถ้าใครมีสติปัญญาไวมากๆมันก็สามารถที่สกัดไว้ได้นานๆจิตของเราก็นิ่งค่อยสงบได้นานๆใช่ไหมจิตมันก็อยู่ในลักษณะที่ดับไม่ให้เกิดสังขาร สังขารคิดเรื่องนั้นเรื่องนะี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในที่เรายกออกมาเป็นชุดใหญ่ๆเนี่ยให้เห็นว่ารูปมันมีที่มาอย่างนี้นะแค่นั้นเองขอให้รู้ลูกนามไม่เห็นมีอะไรมันมีตั้งเยอะแยะแต่เรามองยังมองไม่เห็นนะนั้นเองนะนามก็มีตั้งสิบกว่าอย่างเนี่ยมันมีที่ไปที่มาเสร็จแล้วก็มาทําเป็นสังสารวัฏไ ฟ, ฟเกิดทุกเนี่ยเราก็มาเขียนเป็นกราฟอย่างนี้มันวนก็อยู่เนี่ยวันๆก็ยัวนอย่างเงี้ ย, ยจิตของเราครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็หมุนติ้วเนี่ยเ ป, เ, ปเป็นจักเลยนะ เพราะเราจะเห็นว่าท่านสมมุติของอริสสีออกมาเป็นอ่านาลายสี่ก้อนอะ่ะใช่ไหมตัวนาลายเป็นเจนละของปัญญาก้อนที่หนึ่งถืออะไรนะคือสังใช่ไหมก้อนที่สองถือคาถาก้อนที่สามถือสังเออเขานรียกถือจักรดิก้อนที่สองมือที่สองก็ถือคาถาก้อนที่สามถือสัง ข้อที่สี่คือตรีศูนย์อ่าอันนั้นคือว่าจักรเาหมายถึงตัวสังสารจักรคือมันหมุนไปจิตของเรามันหมุนไปเพื่อให้เกิดทุกข์ตลอดเวลามันหมุนไปทางตัวอวิชาเนี่ยนะเหมือนจักรที่ปั่นหรถตลอดเวลาโอ้ปวดหัวปวดหัวไม่ความาถูกจักรมันปั่นอยู่แล้วเนะจักรคือความคิดมันปั่นหัวเราปวดหัวปวดหน้าปวดตาปวดร่างกายอะไรเนี่ยมันก็จะมีผลปั่นให้เกิดแรงขับ นะตัวสังสารวัจก็แล้วเกิดทุกเกิดแหละเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งที่เราขาดสติความคิดเราจะหมุนติ้วไปอย่างนี้แหละด้วยสังสารวัจจ์หมุนไปเพื่อนท่องเที่ยวในในโลกของความคิดปราณั้นเถอะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็คือตัวจกักรซี่ฟันมันนะทั้ง12อย่างนะถ้งหมดขาดสติแต่ละครั้งมันจะหมุนติ้วทีเดียวออกมาเป็นความคิด พอได้สติปับ๊บความคิดหยุดจากนี่กมุนกลับอ่าหมุนกลับเป็นอะไรทีนี้พอดูมุนหมุนกลับบ้างเป็นธรรมจักรเป็นฝ่ายดับเป็นนิโธธรธตะวนันเพราะนั้นเลียงตอนแรกหลพ่อเลียงไม่ถูกเราเอาเรียงว่าอ่าเราเริ่มต้นด้วยข้างบนนะเริ่มต้นได้ปัญญาคือต้องมีสมาธิฐิ่เสก่อนแล้วก็ลงมามีสมาธิแล้วก็ลงมามีศีลในฝ่ายเนี้ย พอศีลสมาธิปัญญาสัมพันธ์กันอยากถูกต้องก็เกิดยอดทั้งสองยอดคือสมาาสมาญาณกับสมมาวิมุตติอ่าสมมาญาณคือรู้ถูกต้องแล้วมันก็จะหลุดจากความคิดหลุดจากความขี้เกียจไปเรื่อยๆหลุดจากความโมงเหงาห้องนอนไปอีกทีหลุดจากพวกนี้ก่อนนะหลุดจากความเบื่อนายหลุดจากอะไรต่างๆจีห้องเราก็เริ่มนิ่งเฉยปฏิบัติไปวันแรกอ้เบื่อมากๆเลยนั่งทําแบบนี้นะวันที่สองมาชักเบาวันที่3า ม, มาหลุดละวิมุตติไปทีลยอย่างสองอย่างไม่ใช่วิมุตติทีเดียวทั้งหมดนะ วิมุตต์มาแรกๆคิดถึงบ้านใช่ไหมตอนนี้ไม่ค่อยคิดถึงอ่ะเรียกว่าวิมุตต์เรื่องบ้านก็เกิดขึ้นละนะ่ะคิดถึงอาหารที่อร่อยๆมันก็วิมุตต์ไปทีละอย่างสองอย่างสัมมาวิมุตต์ก็ค่อยเกิดอสัมมายานก็ค่เกิดไปก็นิพานเล็กๆก็ค่อยเกิดขึ้นมาตามลำดำับมันก็เกิดทุงมันตลอดเวลานะไฟดับแต่มันเกิดทีนิดๆเหมือนยอดไม้อะ่ะค่อยถี่ใบขึ้นมาทีละใบสองใบขึ้นมาไปเรื่อยๆดังนั้นเองในมรรคบิโองแปดสมาธิฏฐิกับสมาสังกปะเอามาก่อนนะ่ะ เนียภาคปฏิบัติปัญญาต้องมาก่อนนะแล้วก็ตามด้วยความจริงปัญญาแนละ้วมันต้องไปศีลนะถึงจะถูกใช่ไหมแต่นี่เป็นเอาสมาธิศีลศีลเป็นสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิตามหลักของเรียนคือตัวสมาธิสีสมาสังกะเป็นปัญญาใช่ไหมสมาวาจาสมากรรมตะสมาอาชีวะเป็นศีล แลสสส้สมาวิญญาสมาสติสมาธิเป็นสมาธิสมาธินี่ไว้อ่าเกิดทีหลังนะอันนี้ก็เป็นเราทําไมถึงไม่ทําเป็นวงกลมทําไมถึงทําเป็นพีระมิดคือเจดีย์ไงอ่ามันมีเริ่มต้นเรามีที่สุดแต่ถ้าเป็นวงกลมมันมีเริ่มต้นที่สุดไหมไม่มีนะมันหมุนตลอดเลยความคิดอะแต่ถ้ามีสติแล้วความคิดมันจบไง ต้นจบด้วยลักษณะที่เป็นเหลี่ยมเราจะไม่ทําเป็นวงกลมแต่แล้วก็มาเป็นธรรมจักรนะแต่ในลักษณะนี้คือทําเป็นพีระมิดคือยอดของเจดีย์สูงสุดนะดังนั้นเราสัญลักษณ์ในพุทธศา ส, สนาเราสร้างเจดีย์เยอะๆก็เป็นสัญลักษณ์ของการาฝ่ายนิโรธา ร, รวานันคือทุกมันเริ่มต้นแล้วก็มันจบแต่ในแง่ของสังสารวัตรมันไม่มีการเริ่มต้นในจบมันหมุนตลอดพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็หมุนกลับ หมุนกลับเรียกว่าทำมาจากถ้าหมุนไปตามใจของเราเรียกว่าสังสารมาจากคือคิดไปเรื่อยๆแต่พอเราหยุดคิดปั๊บมันหมุนกลับนะเพราะฉะนั้นวิธีการอันนี้หลวงพ่อเคยใช้เอามาใช้กับโซล่าเซลล์เวลาเราติดมิเตอร์ใช่ไหมเราใช้ไฟข้างนอกมันหมุนไปกี่พอเราใส่อิโซล่าเซลล์เข้าไปมันหมุนกลับนะมันก็นหมุนกลับไปกลับมาเดือนหนึ่งเราไม่ต้องเสียเงินเลย พอไฟมันชาร์จมันก็เข้าไปในสายแทนที่เราใช้ไฟมันก็กลับขึ้นไปหมุนแทนอย่างงี้เนี่ยหลักการคือชาร์จไฟสุลล์เซล้าในในสายไฟฟ้าหลวงนะที่ไฟฟ้ามาเห็นเข้าบางแห่งมันรู้เรื่องก็เลยเอามิเตอร์ไอัดิจิทัลไปติดปั๊บมันมีแต่หมุนออกมันมีหมุนกลับแล้วทีนี้ก็แพร่แสงเพียนเข้าไปแช่งให้เขาแต่คุณจิ้งไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะแต่เขาบอกอยาจะได้ไฟก็ชาบไปใช้ อันนี้เรื่องนอกเรื่องนะอไหก่อปใตายสี่ขาเาแล้วตอนนี้เรามาถึงตัวนี้ตอนนี้ก็คือมรณะกับอมาตะทำมันก็ใส่เข้ามาลูกนามเหมือนกันรูปเนี่ยมันจะนำไปสู่มรณะคือตายลูปเดียวแต่น้ำเนี่ยมันนำไปสู่อมตะคือมันไม่ตายนะเพราะฉะนั้นคำว่าตายหรือมรณะในความหมายของภาคปฏิบัติหมายถึงความโศกเศร้าเสีย ใ, ใจความไม่สบายใจความ เศา้าลูกตมมุนมองความปรารถนาไม่ได้ตามอย่างใจแล้วก็การเข้าไปยึดความคิดว่าเป็นตัวตนเหล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของรูปทั้งหมดนะทั้งที่เป็นรูปนามทั้งที่เป็นนามมารูปมันจะไป น, นําไปสู่ความทุกข์คือมรณะเพระนั้นความหมายของว่ามรณะไม่ได้ถึงตายจากร่างกายสังขารที่กล่าวไปตอนเช้า ว, ว่าการตายร่กายสังขารไม่ใช่ตายแบบดับไฟแต่มันตายแบบเคลื่อนของสิ่งหนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเท่านั้นเองมันเลื่อนจากที่นี่ไปสู่ที่นี่เท่านั้นเองนะแต่ถ้หากว่า ตายแบบดับเนี่ยมันก็คือเหมือนเราดับเทียนมันไม่เป็นการเคลื่อนมันดับไปเลยก็คือการตายแบบนามถ้าตายแบบรูปคือกันเรียกว่าเคลื่อนคือจุติถ้าตายแบบนามเรียกว่านี่โรดคือนามใช่มคือหมายความว่าความคิดมันก็ดับไปดับไปเลยไม่ไม่กลับมาอีกนะแต่ถ้ามันกลับมาอีกแสดงว่ามันเคลื่อนเฉยใช่ไหมความคิดเก่าเมื่อกี้ันกลับมาใหม่นแสดงว่ายังเป็นรูปอยู่ใช่ไหมถ้ามันดับไปโดยไม่กลับมานั่นก็คือเป็นนาม ความคิดเก่ากลับไปกลับมานี่เขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนเฉยความคิดมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาก็ความคิดเก่านั่นแหละอย่างนี้ยังเป็นรูปอยู่เพราะฉะนั้นนามมารูปความคิดมันก็เลื่อนไปเลื่อนมาแต่ถ้าเราเป็นนามล้วนๆมันดับแล้วก็ดับเลยมันไฟมันดับเขาจะไม่กลับมาเพราะฉนั้นลักษณะที่จะเกิดการดับแบบไม่กลับมาก็จเจ้านึ่งมีอัคิน ญ, ญารู้ยิ่งกว่าเดิมนะไม่ใช่รู้อยู่เดิมๆแล้วก็สัมโพธยะพร้อมที่จะรู้เสมอเป็นแบบสัมปชัญญะ สามรู้แล้วจบอ น, นิีานญญายะคือรู้แล้วอย่าไปคิดต่ออ่าพอรู้กาคิดก็ไปต่อรู้กําหนดรู้คิดดับก็ดับะนะแต่ที่จะดับอย่างนั้นถ้าบทหนึ่งต้องสลัดต้องสลัดมันเจ้าโคลสลัดพอทีโคลสลัดทิ้งเลยมุติปล่อยวางบางอย่างบางเรื่องปล่อยวางอนานราเลีวอย่านํากลับมาคิดอย่ามาอะไรอววรกับมันอีกกับเรื่องที่จะก่อเก่าเนี่ยในลักษณะนี้ก็มันก็จะเป็นเหลือแต่นามล้วนๆแหละถ้าเราทําตามหลักอันนี้ ซึ่งดูแล้วเนี่ยเป็นหลักวิชาแล้วมันยากแต่หลักปฏิบัติมันง่ายที่เดียวใช่ไหมแค่รู้สึกตัวแค่นั้นอนะ่ะมันก็หายวับไปเลยเมื่อไหร่ไม่รู้สึกตัวมันก็ปรากฏตัวทันทีนะแต่นี่ก็กําหนดเอาไว้เพื่อให้ทรงจําทางด้านปริยัตเอาไว้ก่อการสืบข้อดศาสนาถ้าไม่มีหลักการอันนี้ศาสนาแล้วก็อยู่ไม่ได้เพราะขาดปริยัตขาดหลักฐานรองรับนะมันไม่เป็นทางการเข า, าชาัดเอาไว้แค่นี้นะทีนี้ ก็อยากจะสรุปอย่างนี้ว่าการที่เราเจริญสติโดยการรวมกายรวมใจเข้าด้วยกันเนี่ยมันเป็นการทําที่สุดของทุกข์พอรู้ว่าทุกข์นี่มันเกิดจากอดีตอนาคตเท่านั้นใช่ไหมถ้าไม่มีอดีตอนาคตถ้าจําเป็นต้องใช้อดีตนาคตท่านไม่ให้ใช้คุภีตแต่ให้ใช้ความรู้พอหันมาใช้ความรู้เราไม่เรียกว่าอดีตนาคตเราเรียกอตติังสยาน กำหนดล่วงหน้าว่าเราจะทําอะไรว่ากําหนดไว้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าเขาเรียกว่ารู้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าเป็นอนาคตดังสยานไอ้สิ่งที่ผ่านมามันมีข้อผิดพลาดต้องนํามาแก้ไขปรปับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นว่าข้อผิดพลาดของเราที่ทําให้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนมาตลอดชีวิตเนี่ยเพราะอะไรสํารวจตรวจสอบแล้วแก้ไขโดยซมน่นี่คือประโยชน์ของอดีตเขาเรียกอดีตดังสยานถ้าคิดในแง่มิติที่ว่านำมาเพื่อแก้ไขปรปับปรุงให้มันดีขึ้น กลายเป็นยานกลายเป็นปัญญาแต่นํามาคิดโดยที่ไ ม, ม่มีการแก้ไขปรับปรุงนํามาคิดซ้ำๆ ซ, ซากๆตัวนี้เป็นตัวสมูทัยให้เกิดทุกข์นะเป็นความคิดนันความคิดปัญญาต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าเรานํามาใช้ได้ไม่ได้ความคิดใดที่นํามาใช้ไม่ได้แล้วนํามาคิดอีกเป็นตัวสมูทัยของทุกข์แต่ความคิดใดที่มันนํามาใช้แล้วมันแก้ปัญหาได้ตอนนี้เป็นนิโรธแก้ไขปัญหาได้คือการกับ เป็นญาณปัญญาเพราะฉะนั้นญาณก็มีญาณสาก็คือตัวปุเพนิวาสานุสิญาณจริงๆแล้วคืออดีตดังสยามคือรู้ในะอดีตแล้วจุตูปปัตยานก็คือปัจป จ, จุบันรู้ปัจจุบันก็เรียกปัป น, นังสยามสวัสดยายานที่เราจะต้องทําให้หมดต่อไปเรียก ว, ว่าอนาคตังสยาม น, นั่นเองนะญาณทั้งสามคือรู้อดีตปัจจุบันอนาคตชัดเจนแล้วแล้วเรากำลังทําอะไร แต่ว่าท่านบอกว่าให้ตั้งจิตให้อยู่ปัจจุบันเพราะว่าอดีตอนาคตนั้นเป็นเพียงเครื่องมือมาใช้บางครั้งเหมือนก็เดินทางไปฉายแล้วก็จะส่องดูเฉพาะปัจจุบันใช่ไหมแต่บางครั้งเราก็ส่องดูหน้าดูหลังทีหนึ่งนานครั้งแต่ปัจจุบันต้องตรวจจ่ออยู่ตรงนั้นถ้ามีเสียงอะไรเพื่ปับได้ข้างหน้าก็ส่องดูนิดหนึ่งก็กลับมาปัจจุบันเสียงใครมาข้างหลังส่องดูเพับดูกลับมาปัจจุบันนี่คือสติ แต่ใช้อย่างไม่ใช่ว่าถ้าหากว่ามันไปส่องโดยไม่จําเป็นเรียกว่าความคิดคือกิเลส น, นะแต่ว่าไปส่องโดยจําเป็นเรียกว่าอยากนะนั้นเองในการเจริงสติเราก็ถึงมุ่งมาสู่ตัวรู้ปัจจุบันะให้ชัดเจนไว้เสมอและปัจจุบันในลักษณะที่รู้คือเห็นตั้งแต่หัวจนเท้าเท้าจนหัวว่ามันมีอะไรอยู่ไว้มีทุกข์อยู่หรือมีสุขอยู่ มีความแปรปรวนอยู่หรือมีความอะไรอยู่สํารวจตรวจสอบทุกอ น, น, นูของของส่วนทุกส่วนของร่างกายเวลานอนหลับลงปับเนี่ยก็อย่าไปนอนคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาสติของเรามาสแกนดูร่างกายทั้งรอบหลับเลยนะแต่ไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านนะคือสแกนดูความรู้สึก อ, ะอ่ะลำดับขึ้นมาเรื่อยๆนะดูไปเห็นเป็นความรู้สึกล้วนๆอย่าไปจินตนาการไปสร้างอิมเมจขึ้นมาว่าเออนี่เรานอนนี้ไม่ใช่นะ แต่ให้ดูแต่ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งตึงแต่ถ้าหากว่าจิตมันไม่พร้อมที่จะเพจะไปบังคับให้มันหลับก็ดูไปเรื่อยๆมันถึงเวลาหลับก็หลับเพราะการหลับเป็นอนัตตาบางังคัาบัญชาไม่ได้แต่การที่เราสามารถมีสติสํารวจตรวจสอบนี่อันนี้เป็นธรรมเราทําได้นะแต่ว่ า, าการหลับไม่หลับที่เราต้องการมันเป็นเรื่องของอธรรมชาตินะดัง น, นั้นเองเราผ่านมาวันนี้เป็นวันที่สองเราก็เริ่มได้อารมณ์ละจิตของเราก็เริ่ม คลายจากการวิตกวิจาร์การผูกแดงพรุ่งนี้เราจะปฏิบัติร่วมกันอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้นะในวันต่อไปก็จะเริ่มเลือกสําหรับผู้ที่ได้อารมณ์เข้าประจําที่ละตรงนี้ดีตรงที่วันมีห้องละคนเนาะคนไหนโดยเฉพาะคนเก่าเนี่ยเราจะให้เข้าเก็บอารมณ์ก่อนแต่พรุ่งนี้เราปฏิบัติเพื่อตรวจสอบอารมณ์อีกทีหนึ่งเพราะนั้นเวลาผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมีความหมายหลวงพ่อพยายาม ให้รายละเอียดลึกลงไปเท่วสามวันเนี่ยเพื่ออะไรเพราะอีกสามสวันข้างหลังเนี่ยเราต้องไปทํำเองแต่ส่วนไหนคนไในทําได้ไม่ได้ถูกไม่ถูกเพราะไปตรวจสอบเอานะฉะ น, นั้นในการเปิดอารมณ์แต่ละครั้งหลวงพ่อให้ความสับซ้ญ เ, เ, เ, เ, เพราะเราอาจจะไม่มีมีเวลามาพบคนอีกเพราะอะไรเพราะหลวงพ่ออาจจะตายไปรื่โยมอาจจะตายเจ้าหลวงพ่ออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อมาพบกันเราทําให้มันดีที่สุดแล้วเราจะได้ไม่เดินเป็นหนี้กันนะนะ แต่ถ้าททำเขาเข้าใจอโอ้ไม่เลยอยู่ทานนึ่งก็ทุกข์มากกันเนาะแต่ว่าบอกโยมว่าเราออกกำลังกายเพื่ออะไรเพื่อจะได้อ่ดูคือเรื่องตายไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมเรื่องง่ายนิดเดียวแต่เรื่องอยู่เป็นเรื่องยากมากแต่คำสอนที่บอกว่าให้เรียนรู้สู้สิ่งยากใช่ไหมเมื่อการการอยู่ต่อไปมันยากกว่าลรงทามันดูนะ แล้วมันยากแค่ไหนก็ลองทำดูในเรื่องตายเรื่องเจ็บไม่ใช่เรื่องง่ายใครก็ทําได้คนไม่มีความรู้ก็ทําได้นะมันเดี๋ยวก็ได้ตายเดี๋ยวก็ได้ป่วยตอนนั้นเองก็ในช่วงปฏิบัติขอให้ตั้งใจสํารวจนะอาการสําคัญคือสังเกตปัญหาคือชอบนั่งแช่แช่แล้วก็จะมีอาการติดสงบติดสุขเพราะเราคุ้นเคยทําแบบอ่าหลับตา ม, มาก่อนเนาะพอทําไปเหนื่อยก็นั่ง อดนั่งหลับตาไม่ได้นั่งเสพไปสักพักพอมีแรงนะล้วก็มาทําใหม่นพอมีกําลังขึ้นมาทำมัพอได้เสพสักนิดหนึ่งก็ยังเดียวขึ้นเนี่ยเมืนยาเสพติดนะเนีสมาธิมืนยาเสพติดอันนั้นก็อยากจะให้เราตั้งใจศึกษาเรื่องนี้ดูว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันเสียเวลาแล้วพยายามศึกษาในมิติใหม่ๆมาว่าชีวิตนี่มันมีอะไรที่มหัศจรรย์นะ ถ้าหากว่าตัวหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่ากับเราเนี่ะยมันทําทอะไรได้เหมือนเราทุกอย่างเนี่ยโยมคิดว่าราคามันจะถูกจะแพงโอ้โหมหาศาลเลยนะราคาไม่รู้กี่สิบล้านกี่ร้อยล้านนั่นแหละแต่ว่าตัวแล้วจุดแล้นักวิทยาศาสต ร, ร์ยังทําบอกมาไม่ได้ น, นี่ทํามาไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตนีมีราคาราคาสูงสุดเป็นสิ่งมหาศาลที่สุดแต่ทําไมเราใช้มันในราคาที่ถูกมากใช้มันไปกินเหล้าใช้มันไปกินยาใช้มันไปเล่นไพ่อย่างเงี้ยไม่คุ้มกันเลยใช่ไหม ใช่มไปฆ่าคนใช่ไปเบียดเบียนกันเนี่ยไม่คุ้มกันเลยกับทุกขตาตัวนี้ใช่ไหมเรื่อราคาไปเป็นหลายหมื่นหลายแสนล้านเนี่ยนั้นให้เห็นคุณค่าอย่างนั้นนะการเดินแต่ละครั้งการทําอะไรแต่ละครั้งในสิ่งที่มีค่าเนี่ยก็ต้องทําในสิ่งที่มีค่าในสิ่งที่ไร้ค่าไร้สาระอย่าไปเสียเวลาทํานะพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนี้ว่าถ้ามาพบกันมีกิจอยู่สองอย่างหนึ่ง สุนทรธรมรมแรกเปลี่ยนไอประสบการณ์ความก้าวหน้าในาการปฏิบัติสองถ้าไม่มีเรื่องอย่างนั้นก็นิ่งเสียนะก็นิ่งเสียท่านบอกว่าถ้าไปนั่งสนทนากันบอกการไปนอนหลับยังดีกว่าท่านว่า <c oughs> การในในนั่งคุยกันในเรื่องไร้สาระนั้นบอกถ้าท่านไปนอนหลับจะดีกว่าแต่เราแต่เราคนไม่ซาเลเซินการนอนการนอนเป็นเรื่องของคนหลงเท่านว่าฮะเปเรื่อ ง, องคนหลง ดังนั้นเองก็ท่านเห็นความสําคัญของชีวิตมากๆเลยว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ควรจะตายไปป่วยไปตายไปอย่างไม่ปลาเปร่าพี่พี่เดีย๋ยวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากราคามันแพงนะเมื่อราคามันแพงทําไมเราไม่ส้มไม่ซ่อมแซมดูแลใช้ให้มันดีที่สุดให้นานที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยชีวิตให้ผ่านไปโดยไร้สาระนะนั้นเวอร์ชั่นของหลวงพ่อจะมีการออกรำลังกายเพื่ออะไรเพื่อซ่อมแซมให้ คอมตัวนี้ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ใช้ได้นานหน่อยนะอะอย่าให้มันต้องตายไปเพราะความประมาทของเรานะเพระนั้นก็น่าจะพอแล้วมั้งเนาะ่าได้เป็นนอนกันละแต่วันนี้ฉันเยอะไปหน่อยง่วงนะอาหารพิเศษเลยวันนี้ก็ขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพอาหารวันนี้แล้วก็ขออนุโมทนาบุญขอญาตโยมที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่วิเศษที่สุดคือคําสอน เรื่องของมรรคผลนิพพานซึ่งโอกาสที่เราจะได้ศึกษากันอย่างนี้เป็นเรื่องยากขอให้ทั้งใจให้มีศรัทธาให้มีปัญญาในการศึกษาสามารถที่จะเอาสิ่งที่เราศึกษาในวันนี้เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของชีวิตได้ด้วยการทุกค์ของทุกท่านถอ